อินทริยะยะมก 1. ปันติวาละอุเทศ 1. อินรีย22คือ 1. จักคุณ4 2. สติน4 3. คานิน4 4. ชิวหิน4 5. กายิน4 6. มันิน4 7. อิินซี 8. ปุริสิน4 9. ชีวิติน4 10. สุขิน4 11. ทุกขินสี่สบโสมนัสสินสี่สิสโทมนัสสินสี่สิบอุเปกขินสี่สสัตทินสี่สิวิริยินสี่สิสตินสี่สิแมาทินี่เาปัญญินสียอนัญญาตัญญสสามีตินสียเอัญญินสีย ัญญาตาวินสี 1. นึปทะโสธนวานอนุโลมสอจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมจักขุนสีเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นโสตินสีใช่ไหมโสตินสีเป็นโสตะใช่ไหมคานะเป็นคานินสีใช่ไหมคานินสีเป็นคานะใช่ไหม ชิวหาเป็นชิวหินรียใช่ไหมชิวหินรียเป็นชิวหาใช่ไหมกายเป็นกายินรียใช่ไหมกายินรียเป็นกายใช่ไหมมโนเป็นมนินรีย์ใช่ไหมมนินรียเป็นมโนใช่ไหมอิทถีเป็นอิทธินรีใช่ไหมอิทธินรียเป็นอิทถีใช่ไหมปุริสสะเป็นปุริสินรีย์ใช่ไหม ปุริสินสีเป็นปุริสะใช่ไหมชีวิตเป็นชีวิตินสีใช่ไหมชีวิตินสีเป็นชีวิตใช่ไหมสุขเป็นสุขขินสีใช่ไหมสุขขินสีเป็นสุขใช่ไหมทุกข์เป็นทุกขินสีใช่ไหมทุกขินสีเป็นทุกขใช่ไหมโสมนัสเป็นโสมนัสสินสีใช่ไหมโสมนัสสินสีเป็นโสมนัสใช่ไหมโทมนัส เป็นโทมนัสสินสีใช่ไหมโทมนัสสินสีเป็นโทมนัสใช่ไหมอุเบกขาเป็นอุเปกขินรียใช่ไหมอุเปกขินรียเป็นอุเบกขาใช่ไหมสัทธาเป็นสัทธินรียใช่ไหมสัทธินรียเป็นสัทธาใช่ไหมวิริยะเป็นวิริยินรียใช่ไหมวิริยินรียเป็นวิริยะใช่ไหมสติเป็นสตินรียใช่ไหม สตินรียเป็นสติใช่ไหมสมาธิเป็นสมาถินสีใช่ไหมสมาถินสีเป็นสมาธิใช่ไหมปัญญาเป็นปัญญินรียใช่ไหมปัญญินรียเป็นปัญญาใช่ไหมอนัญ ย, ย์ตัญญสามีติเป็นอานะนะนันย์อานันญ์ตัญญสามีตินรียใช่ไหมอนัญญาตัญญสามีตินรียเป็นอนัญญาตัญญสามีติ ใช่ไหมอัญญะเป็นอัญญินรี่ใช่ไหมอัญญินรี่เป็นอัญญะใช่ไหมอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินรี่ใช่ไหมอัญญาตาวินรี่เป็นอัญญาตาวีใช่ไหมฟังข้อ94ปัจจณิกะ 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนรี่ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุนสีไม่เป็นจักขู่ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตินรียไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานินทรียไม่เป็นคานะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหินรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวหินรียไม่เป็นชิวหาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายินรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายินรียไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนินทรียไม่เป็นมโนใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธินิทสีไม่เป็นอิทธินรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิสินสีไม่เป็นอิทธิใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นปุริสินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสินสีไม่เป็นปุริสะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตินทรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตินทรีย์ไม่เป็นชีวิตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขหินรี์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขหินสีไม่เป็นสุขใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์หินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์หินสีไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสสินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสสินสีไม่เป็นโสมนัสใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นโทมนัสสินสีใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัตสินสีไม่เป็นโทมนัตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบขาไม่เป็นอุเปกขินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเปกขินรีไม่เป็นอุเบขาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นสรัตินรียใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสรัตินรียไม่เป็นศรัทธาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะ ไม่เป็นบริยินรียใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยินรียไม่เป็นบริยะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสตินรียไม่เป็นสติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาถินรียใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาถินสีไม่เป็นสมาธิใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญ ญ, ญินรีไม่เป็นปัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินรีไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนญะ ไม่เป็นอัญญินรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญินรี่ไม่เป็นอัญยะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวินรี่ไม่เป็นอัญญาตาวีใช่ไหมฟังข้อ9ก้าห้าสอปทัสโสธนะมูลจักรวาลอนุโลม4 จักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรี ย, ย์เป็นโสตินทรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นคาอินทรียใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นชิวหินรียใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นกายินทรียใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีเป็นมณินทรียใช่ไหม จักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินรีย์เป็นอิทธินรียใช่ไหมจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินรียเป็นปุริสินสีใช่ไหมจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นชีวิตินรียใช่ไหมจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินรียเป็นสุขหินสีใช่ไหมจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินรีย์เป็นทุกขินสีใช่ไหม จักขู่เป็นจกักขุนสีใช <tinc S 1> ่ไหมอินทรีย์เป็นโสมนัตสินรีย์ใช่ไหมจักขู่เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นโทมนัตสินรีย์ใช่ไหมจักขู่เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอุเปกขินรีย์ใช่ไหมจักขู่เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นสัตถินรียใช่ไหมจักขู่เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นวิริยินรีย์ใช่ไหม จักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินรีย์เป็นสติินรีย์ใช่ไหมจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นสมาตินรียใช่ไหมจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นปัญญินรีย์ใช่ไหมจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอนัญญาตัญยัตสามีตินรียใช่ไหมจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญินรียใช่ไหม จะขูเ่เป็นจกักขุนสีใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินรียใช่ไหมฟังข้อ96 5. สิบโสตเป็นโสตินรียใช่ไหมอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมและโสตะเป็นโสตินรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินรียใช่ไหมฟังข้อเก้าจ็คานะเป็นคานินทรียใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนรีใช่ไหมและ คาระเป็นคารินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ98 7ชิวหาเป็นชิวหินรีย์ใช่ไหมอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมชิวหาเป็นชิวหินรียใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมฟังข้อ99 8ปดกายเป็นกายินรียใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมและกายเป็นกายินรีย์ใช่ไหม อินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยเก้ามโนเป็นมนินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมละมโนเป็นมนินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยเอ็ดสิบอิฐีเป็นอิฐินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมและอิทฐีเป็นอิฐินทรีย์ใช่ไหม อินทรีเป็นอัญญาตาวินทรียใช่ไหมฟังข้อ1นึ1งบปุริสะเป็นปุริสิ น, น, น, น, น, น, าานทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมและสุริปปุริสะเป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยสามชีวิตเป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจกักขุนทรีใช่ไหมและ ชีวิตเป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาอินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร mm ้อยสี่สุขเป็นสุขขินทรียใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมและสุขเป็นสุขขินทรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยห้าทุกเป็นทุกขินทรีใช่ไหมอินทรียเป็นจักขุนทรีใช่ไหมและ ทุกเป็นทุกขินสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมฟังข้อหนึ่งรสห้าโสมนั ส, สเป็นโสมนัสสินรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมและโสมนัสเป็นโสมนัสสินรีย์ใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมฟังข้อหนึ่งเจสิหโทมนัสเป็นโทมนัสสินรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมและ โทมนั <ist vague même> ์เป็นโทมนั์สินสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินสีใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยแปดอุเบขาเป็นอุเปกขินสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมและอุเบขาเป็นอุเปกขินสีใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมฟังข้อห9 1 8ศร้อยาัต t h เป็นสัตทินสีใช่ไหมอินทรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมและ ศรัทธาเป็นสัตตินทรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นอนญาตาวินรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยสิริยะเป็นวิริยินรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจกักขุนรีใช่ไหมและวิริยะเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อสติเป็นสตินรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมและ สติเป็นสตินรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ1น2่งสมาธิเป็นสมาธินรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมและสมาธิเป็นสมาธินรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งปัญญาเป็นปัญญินรีย์ใช่ไหม อินทรีเป็นจากขุนทรีใช่ไหมและปัญญาเป็นปัญญินทรีใช่ไหมอินทรีเป็นอัญญาตาวินทรีใช่ไหมฟังข้อ114่ง้อยสิบยาอนัญญาตัญญสามีติเป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีใช่ไหมอินทรีเป็นจากขุนทรีใช่ไหมและอนั ญ, ญญาตัญญสามีติ เป็นอนัญญาตัญยัตสามีตินสีใช่ไหมอินทรียเป็นอญญาตาวินสีใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยสิบห้ยอนยะเป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นจักขุนรีใช่ไหมและอญยะเป็นอัญญินรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ116 25อัญญาตาวีเป็นอัญญาตาบินสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมและอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมอินทรี ย, าาเนนยาา์เป็นอัญญินรียใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้ปัจจณีกะ26สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโต ia, นสตินทรียใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นมณินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนรี์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปุริสินีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนรี์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหม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 27สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ119 28สภาวธรรมที่ไม่เป็นคารณะไม่เป็นคารินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมละ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฝังข้อหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบเสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหินรียใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฝังข้อหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดสามสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายิสสานทรีย <expectations> ์ใช่ไหม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 สาสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทถีไม่เป็นอิทถินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมฟังข้อหนึ่งรยี่สิบสี่สาสิสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นปุริสินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมและ สภาวธรรมทมี่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ1 2ึ่งรสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ126 35. สภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขหินทรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนศีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหมฟังข้อ1นึ่งยยี่สสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินศีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนศีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหมฟังข้อ1นึ่งยยี่ส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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ130 39. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ1นึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นสรัทธินทรีย์ใช่ไหม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 สี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยสามสิบี่สี่ิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมและ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอิญญาานทรีย์ไ ม, Chief, ไม่เป็นอน ญ, ญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนทรีย์ใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งห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 อนุโลม48จักกูเป็นจักขุนสี่ใช่ไหมอินทรียเป็นจักขุนสี่ใช่ไหมโสตะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมคารณะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นคารินทรีย์ใช่ไหมชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมกายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นกายอินทรีย์ใช่ไหม มโนเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นมณอินทรีย์ใช่ไหมอิทธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมปุริสะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหม ทุกเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นทุกขขินทรีย์ใช่ไหมโสมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมโทมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมอุเบกขาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมศรัทธาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสัทธาสินทรีย์ใช่ไหมวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นวิริยะ เป็นวิริยินซีใช่ไหมสติเป็นอินซีใช่ไหมอินซีเป็นสตินรีใช่ไหมสมาธิเป็นอินซีใช่ไหมอินซีเป็นสมาธินซีใช่ไหมปัญญาเป็นอินินซีใช่ไหมอินซีเป็นปัญญินรีใช่ไหมอนัญญาตัญญสามีติเป็นอินซีใช่ไหมอินซีเป็นอนัญญาตัญญสามีตินรีใช่ไหม ัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญัิินทรีย์ใช่ไหมอัญญาตาวีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ 140. บปัจจนิกะ49สสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกาอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์สส aki, ไม่เป็นมนอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสสะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปุริส ости, ินทรีย <Audi Play. S 1> ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นทุกข์ขินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโทมนัตสินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสัตทินรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสสามีติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาไม่เป็นอไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอันยินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนญญาตาวีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนยาตาวินทรีย์ใช AH racket, ่ไหมฟังข้อ141่ง้อสสุดทินตริยะมูลจักรวาลอนุโลม50จะขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมจะขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นขานอินทรีย์ใช่ไหมจะขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหม จัคขูเป็นอินทรียใช่ไหมอินทรีย์เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมจักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นมณีอินทรีย์ใช่ไหมจักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอิทถินทรีย์ใช่ไหมจักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมจักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหม จักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมจักขู่เป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นทุกขินทรียใช่ไหมจักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสมณัตสินทรีย์ใช่ไหมจักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสมนัตสินทรีย์ใช่ไหมจักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมจักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม อินทรียเป็นสัตตินทรีย์ใช่ไหมจะขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมจะขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสัตตินทรีย์ใช่ไหมจะขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสมาทรีย์ใช่ไหมจะขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นปัญญทรีย์ใช่ไหมจะขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นอนัญญาตัญญสสามีทรีย์ใช่ไหม จักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นอนยินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหม142 5งอโสตะเป็นอินทรียใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมละอินทรียเป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหม143า 52. าคาณะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมและอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหมฟังข้อ144่ง้อีชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมและอินทรีย์เป็นัญญาตาวินศีใช่ไหมฟังข้อหน่งข้อ1 4ีหาากายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหม ละอินทรีย์เป็นอนญาตาวินทรียใช่ไหมฟัง 0, ètres, ข้อ146่งหมโนเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมและอินทรีย์เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยสีิบเห้าิอิทิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมและอินทรีย์เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ148 ห้เจ็ดปุริษะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจากขุนศีใช่ไหมละอินทรีย์เป็นอนญาตาวินศรียใช่ไหมฟังข้อหนึ่ง้สี่สิเกห้าสิบแปดชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจากขุนศีใช่ไหมละอินทรีย์เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งห้าสิบห้าสิบเสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจากขุนศีใช่ไหมละ อินทรีย์เป็นอนัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ151 60ร้กสิทุกเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจากขุนทรีใช่ไหมละอินทรีย์เป็นอนัญญาตาวินทรียใช่ไหมฟังข้อ1นึ่งรสิโสมนัตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจากขุนทรีใช่ไหมละอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรียใช่ไหมฟังข้อ153 62 โทมานัตเป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีเป็นจักขุนซีใช่ไหมและอินทรีเป็นัญญาตาวินทรีใช่ไหมฟังข้อ154 6 3อุ้เบกขาเป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีเป็นจักขุนซีใช่ไหมและอินทรีเป็นัญญาตาวินทรีใช่ไหมฟังข้อ155 64. ้าสห้ากศรัทธาเป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีเป็นจักขุนซีใช่ไหมและ อินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหน6่งวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมละอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ157 66สิติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมละอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ158 67 สมาธิเป็นอ um un uh, um ินทรีย mm ์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมและอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยห้าสปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมและอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยหกสิหกสอนัญญาตัญยัตสามีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมและ อินทรีย์เป็นัญญาตาวินสรีย์ใช่ไหมฟังข้อ161 70ออัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจากขุนทรีใช่ไหมและอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย <potato> um. <cole> well ์ใช่ไหมฟังข้อ162 71อจอัญญาตาวีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจากขุนทรีใช่ไหมและอินทรีย์เป็นัญญินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ163ปัจจณีกะ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ17584สภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมานต์ไม่เป nice. ็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรี์ใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นอินทรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นอัญญาตาวินทรีใช่ไหมฟังข้อ1 7 9 8 8สบภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นอินทรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมและ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุญรีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฝั่งข้อ182 91สภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุญรีใช่ไหมและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนยาตาวินทรีย์ใช่ไหมฝั่งข้อ183 เก้าสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เก้าสิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอินทรียใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมละ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอันยินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ185ปดินัตติวารวุเทศจบ